ขนอบน้อมต่อคุณพระรัตนไตรขอโอกาสลงพ่อกรมอาจารย์นรงวิตย์อาจารย์ทรงศิลป์เพื่อนสาตว์ธมิกทุกท่านอเจาริณธรรมแชีและญาติธรรมทุกท่านในสมัยพุทธกาลนะในยุคทีพ่พระพุทธองค์มีชีวิตอยู่ในยุคนั้นก็เต็มไปด้วยนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายเต็มไปด้วยนักคิด นักปัชญยา <c oughs> เต็มไปด้วยครูบาจารย์นะแล้วก็สำนักปริบธรรมต่างๆมากมายนะเจา้าลัทธิต่างๆก็มีมากมายนะซึ่งการเป็นผู้เจ้านี้นะเป็นสิ่งใหม่นะในพุทธศาสนาเป็นสิ่งใหม่นะก <c oughs> ารเผยแพร่ธรรมก็เป็นไปได้ด้วยความยากยิ่งไหนจะมีลัทธิเก่า นะคือศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูในปัจจุบันนี้แล้วนะก็ยังมีลัทธิต่างๆอีกมากมายนะซึ่งนะเผยแพรแ่กันอยู่แล้วนะแล้วมีผู้ที่ทับถือต่างๆมากมายนะการที่จะปฏิฐานพุทธศาสนาในยุคนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากมากนะแต่ว่าก็กลับนะสามารถที่จะทําได้นะก็คือปริสารพุทธศาสนาจนยั่งยืนมาทุกวันนี้นะแล้วก็ถือว่าใหญ่นะเป็นอันดับ ที่สามของโลกนะการที่จะทําเช่นนั้นได้ก็แสดงว่าธรรมะของพระเจ้านี้เป็นสิ่งที่ยอมรับนะเป็นสากลณนะ์เป็นสศธรรมจริงๆนะเพราะมนก็จะไม่ฝ่าด่านนะที่มีครูบาอาจารย์ยั่งมากมาในยุคนั้นได้นะจนกระทั่งนะยิ่งใหญ่ที่สุดในอินเดียนะในยุคนะพระเจ้าอาโสมหาราชนะในยุคที่พระเจ้าเผยแพรใ่ใหม่ๆ ที่ทรงตัดสูุใหม่แล้วเนี่ยก็ได้ทรงมีภาษาวกอยู่รุ่นแรกๆนะตั้งแต่ปัญจวัคคีนะไปถึงถึงกลุ่มพยาาัสสาจนถึงพระพัทวัคคีนะหลังนั้นพระองค์ก็มีดำลิ ว, ว่าจะเดินทางไปเผยแพร่อภิษฐารพุษาสนาที่เมืองราชาคฤห์แควนค้นมคธซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่มาก แล้วก็มีนักป่าราชบัณฑิตมากมายนะครั้นี้ก็จะทรงทำเช่นใดนะที่จะทำให้อาชาเมืองนี้ยอมรับนะครั้นี้ในระหว่างที่ทางที่จะเดินทางไปเนะมืองราชาคือนั่น ะ, ะก็จะต้องผ่านนะกลุ่มของชนะดิน3พี่น้องนะก็คืออูลนะุเวนกัสปะนะซึ่งมีบริวาร500หน้านะนะนะที่กัสปะมีบริวาร300 แล้วก็ขยยา ก, กัสปะมีบริูบาลสองร้อยนะอันนี้นะพระพุทธเจ้าเดินทางไปองค์เดียวนะแต่ว่าท่านจะต้องไปไประจนนะกับนะเจ้ารัตทีต่างๆเหล่านี้นะท่านจะทําอย่างไรนะท่านก็ต้องเข้าไปในถ้ำเสือนะคือเจ้าลูกเสือก็ต้องเข้าไปในถ้าเสือนะก็เดินทางไปที่ในสํานัก ข, นะของอุลนะุเวนกัสปะ่นะก็ไปขอพัก อุเวนกัสปะก็ไม่ยินดีนะก็ไม่ได้นับถือพระเจ้าลแต่อย่างใดก็ไม่อยากให้พักก็เป็นเสียดไปแต่พระเจ้าขอพักในโรงไฟอุุเวนกัสปะบอกว่าในโรงไฟนี้จะมีพญานาคนะมีพิษไร้แรงเนี่ยก็จะทําร้ายได้แต่พระเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรนะก็ขอพักในที่นั้นครนนี้เมื่อพักไปแล้วก็กังคืนก็พญานาคออกมาแล้วก็ เห็นมีผู้มาพักอยู่ในโรงไปอย่างตนก็ไม่พอใจก็พ่นพิษเข้าใส่ตอนนั้นก็คณะของอุลเว่นศิปะซึ่งมีสาวกมากมายก็คิดว่าผู้เจ้าต้องตายแน่นอนก็ในโรงไปก็เห็นมีแสงแสงไฟลุกขึ้นมาท่วมชวดช่วงแต่พอตอนเช้าก็ปรากฏว่าผู้เจ้าไม่เป็นไรก็สามารถปราบพญานาคได้ แล้วกระทรวอต้องการที่จะให้อุลุเวนเนี่ยมาเข้ามาเป็นในการนับถือพุทธศาสนาเพื่อที่จะเป็นกําลังของพุทศาสนาต่อไปเพราะว่าอุลเวนนี่ก็เป็นอาจารย์ใหญ่นะเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองราชาคฤห์เป็นอย่างยิ่งนะถ้าได้กลุ่มอุลุเวนเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นกําลังใหญ่นะแล้วก็จะเป็นที่อยอมรับของชาวเมืองได้ง่ายขึ้นะ พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงใช้ฤทธิ์ต่างๆนะในการปราบพลุเบญกะสะปะจนในที่สุดก็ยอมยอมรับนะยอมที่จะนับถือยอมที่ว่าจะสามารถที่จะเข้ามาบวชได้เปลี่ยนลัทธิใหม่เลยนะนี่ก็เกิดจากความสามารถเฉพะตัวของพระเจ้านะฉ ล, ลังอย่างนั้นก็น้องชายคือนัตถิกะสะปะและขยยากะสะปะก็เข้ามา บวชตามนะพร้อมด้วยบริบาลทั้งหมดก็เป็นทั้งหมดหนึ่งพันสามูปนะครั้นี้เพระพุทธเจ้าก็เลยพาเดินทางไปยังตําบลขยาศีสนะแล้วก็ทรงจะแสดงธรรมอะไรบางอย่างให้กับกลุ่มนี้ฟังนะถ้่ทรงพิจารณาว่าควรจะแสดงธรรมอะไรดีเพราะว่ากลุ่มนี้จะได้เหมาะกับฉริตก็เห็นว่ากลุ่มเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เขาปกติเขาบูชาไฟ แล้วนะนะก็เลยทรงแสดงเรื่องเกี่ยวกับไฟนี่แหละนะได้ทรงแสดงอาทิตย์ยะปริยายาสูตรเนะพราอหนังจะแสดงพระสูตรนี้แล้วภานะพพิสูจน์ทั้งหนึ่งพันสารูปนี้ก็เปรูปเป็นพระรหันต์ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้จึงมีความสําคัญมากนะนะพระสูตรที่สําคัญก็มีหลายพระสูตรนะนะมีพระธรรมจักรกับพระวนาสูตรอนัตตลกอนสูตรแล้วก็ป ร, ริยายะ อาทิตตะปริยายสูตรนี่แหละมีความสำคัญนะซึ่งแสดงธรรมแล้วก็มีภูมิบรรลุธรรมเป็นจำนวนมากด้วยนะครันนี้นะก็ทรงแสดงอย่างไรนะก็มีเนื้อความโดยยอดอย่างต่อไปนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของร้อนนะอะไรเล่าที่เป็นของร้อนนะอันได้แก่อยายตนะภายในคือตาหูจมกูกลิ้นกายใจ อายตนาภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงผล พ, พะธรรมอารมณ์แล้วก็การสเสวยอา ร, รมณ์เหล่านั้นนะสเสวยอา ร, รมณ์ในสุขบ้างใ น, ในทุกบ้างในทุกบ้างหรือในอไม่ทุกไม่สุขบ้างนะเป็นของร้อนนะเหตุที่ร้อนก็เพราะไฟนะไฟเกิดจากไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะ เกิดจากความลำําไรลําพันธ์ความโศกความเศร้าความทุกข์กายทุกใจความขับแค้นใจต่างๆเหล่านี้ก็จะความแก่ความเจ็บความตายสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นความร้อนเป็นสาเหตุของความร้อนเป็นความทุกข์เมื่อเกิดความเข้าใจในสภาวะเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้ว นะก็จะเกิดความเบื่อหน่ายนะเมื่อเบื่อหน่ายก็เกิดการคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุ ด, ลดพ้นแล้วนะหลังจากที่ทรงแสดงธรรมนี้จบไปแล้นะวภาษา voke ทั้งหมดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดหนึ่งพันสามรูปนะบรรลุเป็นผ่านทั้งสิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้ก็จึงเป็นพระสูตรที่มีความสําคัญมากพระสูตรหนึ่งนะ ได้ทรงกล่าวว่าอ่าจริงๆแล้วมันต้องเริ่มต้นจากสาเหตุก่อนนะสาเหตุก็คืออ่าการที่เรามีความทุกข์เกิดจากไรนะมีความทุกข์ก็เกิดจากเราทั้งทั้งหลายเหล่านี้แหะมีราคะโทสะโมหะหรือความโลภความโกรธความหลงนะนี้ก็คือรากเหง้าอ่ารากเหง้ า, าของความทุกข์ทั้งกวงนะรากเหง้าของกิเลส ท, ทั้งหลายก็เกิดจากสามตัวนี้เป็นใหญ่นะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นหัวหน้านะมันก็แตกลูกแตกหลานเราไปเป็นอาการต่างๆของจิตมากมายน ะ, ะความโลภก็คือราคะโทสะก็เป็นกลุ่มปฏิฆะนะความหลงก็คือความไม่รู้ทั้งหลายเนี่ยเป็นหัวหน้าใหญ่นะครั้นี้เมื่อหัวหน้าใหญ่เราเนี่ยมีอยู่ก็คือเป็นสิ่งที่เข้าเกิดขึ้นมาได้เสมอนะตามใดที่ ยังมีกิเลสอยู่นะแล้วประตูที่จะให้เขาเกิดขึ้นนะก็คือประตูหรือหน้าต่างหรือทางเข้าเนี่ยมันเปิดอยู่นะเปิดอยู่ก็มีประตูทั้งหก็คือตาหูจมกลิ้นกายใจนะและได้กระทบกับสิ่งที่มาจากภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงผดภพธรรมลมเมื่อกระทบในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดเวทนาเกิดขึ้นนะเวทนาก็มีความสุขความทุกข์หรือว่าเฉย นะสิ่งเราเนี่ยก็คือความร้อนนั่นเองนะความร้อนก็นะจะภายในในใจเราเพราะภายในใจของเรานี้มันมีนะราคะโทสะโมหะอยู่นะอั น, นี้คือต้นเหตุของความร้อนนั่นเองนะเพราะสิ่งที่คนเรานะจะรับรู้ได้จริงๆจากภายนอกหรือจริงๆแล้วคือความเป็นตัวตนของเราทั้งหมดนะก็คือ นะรูปลดกลิ่นเสียงโผฏฐพะธมลมนั่นเองนะนะก็คือการที่เราสามารถเห็นรูปได้ได้ยินเสียงได้กลิ่นได้กระทบลดได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ใจนึกคิดในเรื่องต่างๆนะอันนี้ก็คือจริงๆก็คือความเป็นตัวตนของเราอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าเราดับไปทั้งหมดนะเช่นเรานอนหลับไปความเป็นตัวตนของเราก็แทบจะไม่เกิดขึ้นนะอาจจะเป็นแค่ความฝันเท่านั้นเองนะ แต่ถ้าเราไม่ฝันความเป็นตัวตนก็แทาจะหมดไปนะแต่เมื่อเราตื่นขึ้นมาเมื่อใดนะความเป็นตัวตนก็จะเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งความเป็นตัวตนก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้แล้วแหละการนี้เรากระทบอะไรทั้งหลายแหละนะเช่นเราตอนนี้เรานั่งขนาดนี้เราจะรู้สึกว่าบางทีอากาศจะเย็นๆนะนี่ก็คือเราสัมผัสได้ในตรงนี้นะความเป็นตัวตนก็เกิดขึ้นนะเราได้ยินเสียงพูดนะเราก็สามารถสัมผัสได้ในตรงนี้นะความเป็นตัวตนการรับรู้ในตรงนี้ก็เกิดขึ้น นะเมื่อตาเรากระทบรูปมันก็เกิดความเป็นตัวตนในตรงนั้นขึ้นมานะและการที่เรากระทบในสิ่งเหล่านี้เกิดนะเวทนาตามมานะเวทนาก็คือนะสุขทุกข์บ้างหรือเฉยๆบ้างนะเพราะนั่นก็เริ่มต้นจากที่เรามีอายตนะก่อนนะอายตนะทั้งหกนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะก็สัมผัสกับผัณนฑะ์ศาสัพาส์ก็คือสิ่งที่มากระทบจากภายนอกนะก็เกิดเวทนาขึ้นมานะ ตรงนี้แหะท่านจึงกล่าวว่าอันเนี้ยเมื่อกระทบแล้วนะจากการที่เรายังมีราคะโทสะโมหะอยู่มันก็เลยกลายเป็นความร้อนนะความร้อนเราเนี้ยก็นําความทุกข์มาให้เราก็คือความร้อนกายร้อนใจความทุกข์กายทุกข์ใจนั่นเองนะเนี่ยคราน้นี้ที่ทรงแสดงเช่นนี้ก็เพราะว่า โบราณในฉดินทั้งหมดนะเมื่อก่อนก็บูชาไฟเมาก่อนนะก็คอยเติมเชื้อไฟไม่ให้ไฟดับนะแต่ว่านั่นก็ไม่ถูกทางแต่ว่าท่านให้กลับมาดับไฟภายในนะดับไฟภายในก็คือดับราคะโทสะโมหะนี่แหละให้หมดสิ้นไปนเมื่อดับไฟภายในแล้วนะความทุกข์ก็หมดไปด้วยนะอันนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องนะ ตรงนี้พอชาดินทั้งหลายฟังก็เลยเกิดความเข้าใจนะอันนี้ตอนแรกเนี่ยที่พระพเจ้าไปอยู่กับกลุ่มชาดินในหม่ปรากฏว่าอ่าครูรเวนกัสตาซึ่งเป็นหัวหน้าก็คิดว่าตัวเองเป็นพระหรหันแล้วนะพระผู้เจ้าไม่ได้เป็นพระหรหันนะแต่อยู่ไปอยู่มาหลังจากที่ได้สัมผัสพระผู้เจ้าบา่อยๆพระผู้เจ้าก็บอกว่าเนี่ยท่านไม่ได้เป็นพระาราหันหรอกอ่ก็เกิดการยอมรับขึ้น ม, มาจริงๆนะแล้วพระพเจ้าบอกว่าเนี่ยหนทางที่ท่านไปบัติก็ไม่ใช่หนทางแห่งการเป็นพระหรหันด้วย เนื้อสดูเลยผู้ละเวรก็เลยยอมรับนะอันนี้ก็ตรงนี้ก็มาสรุปในตรงนี้ว่าอาการที่กลุ่มฉดินนะบูชาไฟทั้งหลายแล้วต่ออ่าเป็นการเติมเชื้อไฟอยู่เรื่อยๆนั้นไม่ใช่หนทางแห่งการบรรลุเป็นพระอรหันต์แน่นอนนะแต่การเทิดดับไฟภายในนี่แหละอ่าดับไฟภายในคือราคะโทสะโมหะนี่แหละมันเป็นหนทางแห่งความเป็นพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นเมื่อฉดินปุราณชดินทั้งหมดได้ฟังในตรงนี้ก็เกิดความเข้าใจ นะว่าตัวเองต้องดับไฟภายในนะพอดับไฟภายในปับ๊บดับได้เนี่ยอนะก็เลยบรรลุเป็นพระอันทั้งหมดนะอันนี้จริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นปุราณาิสตินทั้งหลายเหล่านั้นนะหรือพ 1, ระภิกหนึ่งพรนสมูมนั้นแต่จริงๆก็คือพวกเราทุกคนนี่แหละก็มีไฟภายในอยู่นะไฟภายในก็คือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเนี่ยเรามีมากมีน้อยไหมนะ หรือเราดับได้ไหมการที่เราดับนะั้นก็คือการที่เรารู้ทันนะรู้ทันราคาโทสะโมหะนั่นเองนะราคาหรือความโลภก็ตัวเดียวกันนะราคาก็คือความที่เรายินดีเราพอใจเราอยากได้ในสิ่งต่างๆนะในรูปรถกลิ่นเสียงผลพระนี่แหละราคานี้มันเป็นหัวหน้าใหญ่นะในความพอใจทั้งหลายแหละนะ เป็นหัวหน้าในการที่เราอยากได้เรายินดีเราติดใจนะความพอใจทั้งหมดก็อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดนะมีลูกมีหลานเยอะแยะนะโทสะนี่ก็เป็นหัวหน้าใหญ่นะมีลูกน้องก็มีปฏิฆะความขัดเคืองความไม่พอใจความโกรธความเกลียดความเหงาความเครียดความกลัวความอิจฉาความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจทั้งหลายแหละนะเยอะแยะนะความที่คือเป็นอารมณ์ที่มันต่ําอารมณ์ที่เราขัดเคืองทั้งหลาย นะก็อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดนะโมหะก็คือเราไม่รู้ไปตามความเป็นจริงนะไม่รู้ว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่กําลังคิดอะไรอยูนะ่ไม่รู้ไปตามความเป็นจริงต่างๆนะไม่ก็คือหลงไปนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นหัวหน้าใหญ่เลยนะหัวหน้าใหญ่ยิ่งกว่าราคะและโทสะซะอีกนะก็คือเมื่อเราไม่รู้ว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่ไม่รู้ไปตามความเป็นจริงก็เลยหลงไปในลมต่างๆหลงไปในราคะหลงไปในโทสะนั่นเองนะ เพราะนั่นก็คือเราหลงนั่นเองนะก็เลยไม่รู้อยู่กับนะความเป็นจริงในขณะนี้ว่ า, ากายกําลังทำอะไรใจกํากลังทำอะไรก็รู้ก็คือไม่รู้ทันกายไม่รู้ทันใจนั่นเองนะอันนี้ก็ก็คืออารมณ์ทั้งหลายนั่นเองนั่นะที่อยู่ในใจเราทั้งหมดนะก็คือสรุปลงในว่าก็เกิดจากหัวหน้าใหญ่ก็คือราคะโทสะโมหะนั่นเองนะเพราะงั้นการที่เรานะสามารถที่จะ รู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆได้เราเนี่ยอันนี้ก็คือหนทางแห่งการปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าอารมณ์ทั้งสามนะความโลภความโกรธความหลงก็ดีนะมันเราไปกําจัดให้หมดไปไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลานะเช่นเราเราจะละความโกรธนะมันก็ละไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะความโกรธในปัจบันก็ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะแต่ก็ต้องให้เขาเกิดขึ้นก่อนนะ เมื่อเขาเกิดขึ้นก่อนก็คือเรามีหน้าที่รู้ทันนะในการรู้ทันนะความโกรธนะเมื่อรู้ทันเขาก็ดับไปนะอันนี้ก็คือการละแล้วนะว่าเราจะตั้งใจละไม่ได้นะก็อยู่ที่ว่าเราสามารถรู้ทันเขาได้ไหมเนี่ยตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะการที่เรามาฝึกจินิสสติก็เพื่อให้เรารู้ทันนะอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเรานั่นเองนะ เพราะว่าถ้าเราไม่มีสติแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีกําลังของจิตที่จะไปรู้ทันนะอารมณ์ต่างๆได้เร็วนะจิตของเราจริงๆแล้วเขาก็ขึ้นลงอยู่บ่อยๆนะขึ้นลงไหลไว้ตามรมต่างๆอยู่แล้วนะอันนี้เป็นเรื่องปกติของจิตนะปกติของจิตก็คือเขาจะขึ้นขึ้นลงลงนี่แหละนะนะเป็นสิ่งที่ว่าเขาก็ไหลไปแนอารมณ์ต่างๆอยู่แล้วนะแต่ถ้าเรามีกําลังเราก็รู้ทันอารมณ์ต่างๆได้เร็วขึ้นนะตรงนี้นะ การที่เรารู้ทันมันก็เป็นการละกิเลสในตัวแล้วนะอย่างเช่นที่ในอริยรสัจสี่ก็บอกว่าทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะสมุทัยเป็นสิ่งต้องละนะครั้นี้เนี่ยสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องละไหมนะครั้นี้เราก็มาดูในสมุทัยว่ามีอะไรบ้างนะสมุทัยก็มีนะการมาตัญหาการมตัญ ห, นะหาก็คือรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพธรรมลมนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องละ นะเพราะฉนั้นการมาตัญหานะหรือลบลูปลกลิ่นเสียงผลทบพัดอารมณ์ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องละนะมันก็ตรงกับตรงนอยู่แล้วนะคราวนี้วิธีการละก็คือเรารู้ทันนั่นเองนะรู้ทันอารมณ์ต่างๆให้ไวขึ้นนะเราก็จะละอารมณ์เหล่านั้นได้นะแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็หลงเข้าไปในรมต่างๆเหล่านั้นนะเพราะจริงอยู่ที่ว่าเรารู้ทันไหมนะรู้ทันเขาก็ละเขาเองนะเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะ เพราะนั้นจิตที่เรายิ่งว่องไวเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งละได้เร็วนะการที่เราสามารถนะรู้ทันความคิดได้เร็วอันนี้นะรู้ทันความคิดได้เร็วมันก็เท่ากับเรารู้ทันอารมณ์ต่างๆได้เร็วด้วยนะการที่เรารู้ทันปุ๊บเขาก็หยุดไปนะอันนี้เกิดจากการที่เราสามารถรู้ทันนะแล้วการรู้ก็คือเราแค่รู้เฉยๆก็พอแล้วนะอย่าไปอยากให้เขาดับไปนะเพราะการที่เราอยากก็ดับนั่นก็เป็นกิเลสตัวเองแล้วนะ อั น, นั้นคืออกุศล น, นะอกุศลจะไปละอกุศลไม่ได้นะแต่การลุยเฉยมันก็คือกุศลนั่นเองนะพอเราลูยเฉยเขาก็ดับเข้าไปได้เองนะการที่เราสามารถลูยเฉยบ่อยๆนี่แหละตัวนี้จึงมีกําลังนะมีกําลังเพราะว่าการลูยเฉยนั้นก็คือสักแต่ว่านะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนะคำว่าสักแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งทีนะ่มีความยิ่งใหญ่มากในตัวเขาเองนะ อย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้กับพระพายะฟังนะว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อนั้นท่านจักไม่มีในโลกนี้ท่านจักไม่มีในโลกทั้งสองอนั่นแหละคือที่สุดคือที่สุดแห่งทุกข์ละนะอันนี้เราฟังตรงนี้แล้วพระพายะก็บรรลุป็นพละหันนะแล้วก็เป็นเอตัาคะในการบรรลุธรรมเร็วที่สุดนะครับ หรือแม้แต่ทรงแสดงให้มาลงอยบุตรก็เหมือนกันนะมาลงอยบุตรถามว่าข้าพงอายุมากแล้วควรจะปฏิบัติอย่างไรถึงได้ผลเลรบบ็วพระเจ้าก็บอกว่าอามาลุงอยบุตรเธออย่าเพลิดเพลินเป็นอารมณ์ต่างๆให้เล่าอารมต่างๆให้เร็วเหมือนกัพภิกตาฉันนั้นนะแล้วก็เห็นแต่สักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้ทราบแักว่าทราบนันก็เหมือนกับภาพพายะนะมาลงอยบุตรก็บรรลุธรรมนะตรงนี้ก็ว่าเออมันก็เป็นสิ่งสําคัญนะที่ว่าสักแต่ว่าแล้วเรารู้เฉยๆได้ไหม ถ้าเราไม่รู้เฉยๆมันก็ไหลปรุงแต่งไปในอารมณ์ต่างๆนั่นแหละแม้แต่เราอยากให้เขาดับอันนั้นก็จริงๆแล้วก็คือเป็นตัณหานะเออเรามีความโกรธใหญ่ความโกรธดับไปอันนั้นก็เป็นวิภาวะตัณหาก็คือการผลักใสอ่าการผลักดันนะการที่เราให้เขาดับไปโดยมือเรานะอันนี้ก็เป็นวิภาวะตัณหาเหมือนกันนะเพราะถ้าเราทําได้งั้นก็ความเป็นตัวตนเราก็เกิดขึ้นมาอีกนะว่าเราเก่งนะเรา สามารถดับตันหาได้น ะ, นะอัตตาตัวตนแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกนะเพราะนั่นจึงมันจึงต้องรู้เฉยอัตตาตัวตนมันก็ไม่เกิดขึ้นมานไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะทําในสิ่งเหล่านั้นได้นะเพราะนั้นมันก็เข้ามาสู่ธรรมะในตรงที่ว่าธรรมะก็คือเป็นสิ่งที่เขาเป็นของเขาเช่นนั้นเองนะไม่ใช่เป็นไปตามที่เราต้องการนะถ้าเป็นไปตามที่เราต้องการนั้นก็คือเป็นฝีมือเร า, านั่นแหละนะเป็นสมถะ เราเป็นการบังคับขับสาเป็นการทำด้วยเจตนาด้วยความโลภด้วยตัณหาอยากเขาเขาเป็นไปตามที่เราต้องการอันนี้มันก็เกิดกลายเป็นตัวตนเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาอีกนะมันก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะแต่ถ้าเรารู้ตามที่เขาเป็นนะอันนั้นก็เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือรู้ไปตามความเป็นจริงไม่ได้ไปบังคับให้เขาต้องเป็นไปตามที่เราต้องการนะแต่เมื่อเขาเป็นไปเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ รู้เฉยๆได้ไหมนะเมื่อรู้เฉยๆแล้วเขาจะดับหรือไม่ดับก็ไม่เกี่ยวกับเราอีกนะอันนี้ถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วเราก็จะเข้าใจจิตใจของเราอีกเยอะแยะเลยนะว่าจริงๆแล้วนะก็คือกิเลสทั้งหลายนะก็เป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่เกี่ยวกับเรานะพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้แล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรื อ, อากายไรใจไม่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้นะนะคําว่า ไม่ให้ตัวมเตวมตต น, นีน่เป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะทุกวันนี้เราก็คิดว่าเป็นเราน ะ, ะเราโกรธเราลากเราชังเราละกิเลสนะเราหลงต่างต่างเหล่านี้นะเพราะถ้าเรายังไม่เข้าใจตรงนี้เราก็ไปบัตธรรมไปอีกสักสิปีก็ว่าเรายังมีหลงเรายังมีโกรธอยู่นะอันนี้ก็คือเรายังไม่เข้าใจในความไม่ให้ตัวมเตวมตตนนะแต่ความจริงนั้นมันก็เป็นแค่สภาวธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะ หรือพูดง่ายๆว่าสภาวะธรรมก็คืออาการของจิตอย่างหนึ่งนะอาการของจิตนะในเมื่อจิตไม่มีอยู่แล้วนะไม่ติดไม่ตัวไม่ตนแล้วอาการเหล่านั้นจะเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรนะอาการของจิตเหล่านั้นก็จะเป็นของเราได้อย่างไรนะในเมื่อจิตก็ไม่ใช่ของเราเนะพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เลยเห็นว่าเออสภาวะธรรมนั้นเขาก็เป็นเรื่องที่ว่าเขามาแล้วเขาก็ไปนะเพราก็เป็นเรื่องของจิตนะ เข้ามาแล้วเขาก็ไป่างของเขาเองนะถึงเราไม่ยังทำอะไรไม่ต้องไปบัตรทำอะไรเขาก็มาเขาก็ไปของเขาตามปกติอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราไปบัตรทำแล้วกลายว่าเขาดับได้หรือเขาไปด้วยฝีมือเราเมื่อไหร่นั่นแหละตรงนี้เราก็เป็นคนที่หลงเซเองนะเป็นหลงนะหลงในว่าเออเป็นฝีมือเราเป็นตัวเป็นตนของเราที่ทำเช่นนั้นได้นะมันก็เลยไม่ออกจากตาตัวตนนะแต่ถ้าเราเข้าใจในสภาวะธรรมจริงๆแล้วว่า ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเข้ามาแล้วเขาก็ไปเพราะว่าเขาไม่ใช่ตัวเมตตุของเรานะเพราะฉะนนั้จิตนี่ก็คือจิตนี่เป็นสิ่งที่มีอยู่นะถึงไม่ใช่ของเราแต่เขามีอยู่แต่การที่เขาสแสดงถึงการที่เขามีอยู่ก็คือเขาสามารถสแสดงอาการของจิตได้นะอาการของจิตนั่นก็คืออารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละความโลภความโกรธความหลงนะเมื่อเขาสแสดงอาการของจิตแล้วเราก็มักจะไปขี้ตู่นะว่าเป็นของเรา นะพอเรายึดเป็นของเรามันก็เลยอยู่เรานานนะอเพราะฉะนั้นจิตนะกับอารมณ์มันก็เป็นคนละตัวกันนะอะแต่คราวนี้ถ้าเราไม่รู้มาพอเกิดอารมณ์ขึ้นเราก็ไปยึดว่าเป็นเราก็เลยอยู่เรานานนะก็เมือเราไปกลุ่มเข้าไเลยนะอ่าไปจับว่าเราโกรธแล้วเรารักแล้วเราชังแล้วก็เลยอยู่เรานานา น, นะก็ไปวนวนในความคิดต่างๆเรานั้นไปปรุงแต่งต่อนะ นะเช่นมีใครเข้ามามาด่าว่ามาว่าเราเนะพราโกรธก็ว่าเราโกรธนะก็ไปคิดปรุงว่าเออทําไมมาว่าเรานะนะก็มีตัวเราเยอะแยะนะที่จะไปหาคําตอบในตรงนั้นหาเหตุหาผลในตรงนั้นนะเราก็ไม่ออกจากรมได้เร็วนะก็ไปปรุงแต่งต่อนะอภาวะสติเราไม่ไวพอที่จะรู้เฉยนะแต่เมื่อมีอารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อเราเข้าใจในตรงนี้เราแค่เห็นเฉยหรือรู้เฉย หรือสักแต่ว่าเฉยๆเขาก็ไป เ, เขาเองนะอ่าก็คือไม่ต้องไปยึดอะไรทั้งหมดนะนะั่นแหละไม่ต้องไปคิดต่อไม่ต้องไปไปรุงแต่งหรอกเขาก็ไปเองเขาเองอยู่แล้วนะอ่าจิตมันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะตรงนี้ก็เกิดจากการที่เราเข้าใจนะในอารมณ์ที่ว่าเรารู้เฉยๆเรื่งต่างก็จะจากไปเองนะตรงนี้มันก็เป็นการรู้ตามความเป็นจริงนะในการที่ว่าจะเห็นรูปเห็นนามหรือกายและใจไม่ตัวไม่ตนของเราจริงๆนะมันก็วางเขาได้นั่นะแหละในสุดนะ มันจะวางในตรงนี้ได้เลยนะมันเห็นการมาการไปของลมต่างๆของความคิดของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเรามันเมื่อเห็นการมากันไปเห็นความป่วนแปลความ ผ, ลผลันผวนจิตก็จะเห็นว่าออมันไม่มีสาระไม่มีการสานจิตก็เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นะนะเมืหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะอันนี้ก็เป็นหนทางที่ว่าอา เราจะได้มองเห็นภรรยาลักตามความเป็นจริงนะเห็นในความไม่เที่ยงของอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะเห็นความแปรปรวนในตรงนี้นะเออเมื่อเช้าเรามีความสุขตอนบ่ายเราก็มีความทุกข์แล้วนะมีความโกรธมีความยินดีเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆนะมีความสุขอยากก็อยู่นานก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ไปมีความทุกข์เข้ามาแล้วเขาก็ไปเองเขาเองนะไม่มีอารมณ์อะไรอยู่เรานานหรอกใช่ไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงอารมณ์นะก็คือเห็นความไม่เที่ยง นะเห็นความทุกข์ก็คือความที่เขาคงในสภาวะเดิมไม่ได้นะ BERG เรานั่งนั่งอยู่เดี๋ยวมันก็ทุกข์แล้วนะต้องแก้ทุกข์ไปบ่อยๆนะอารมณ์ต่างๆก็มามันก็คงในภาวะเดิมไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงไปอีกนะมันก็ต้องแก้ทุกข์กันทั้งวันนะเห็นในภาวะที่เขาอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้ทั้งวันนะไม่ว่าในทางกายและทางใจไม่มีใครอยู่ในสภาวะเดิมได้เลยนะพเพราะพระพุทธเจ้าเลยบอกว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นที่ดับไป เพราะนั้นถ้าใครเข้าใจในตัวทุกนี้แล้วนะก็จะหาคุทธรออกจากความทุกข์ได้เองนะแล้วก็เห็นถึงนักตาความไม่ตัวไม่ตนควา ม, มเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นั่นแหละตรงนี้มันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเลยนะก็คือจริงๆแล้วความไม่เที่ยงและความทุกข์เนี่ยศาสนาอื่นก็จะมองเห็นแต่ตรงนักตานี้ความไม่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยคิดว่าเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นที่สามารถมองเห็นความจริงในตรงนี้นะ ตรงนี้ก็คือสัจธรรมความจริงนะพระพุทธเจ้าในสามารถที่จะเปิดเผยสัจธรรมให้โลกได้รู้นะโลกทั้งโลกทั้งโลกนี่พูดง่ายๆก็คือตกในกฎพัตไตรลักษณ์นั่นเองนะแต่ไม่มีผู้ใดเปิดเผยขึ้นมานเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยู่ในความทุกข์ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าบุ้ใดไม่เข้าใจสัจธรรมผู้นั้นก็มีความทุกข์ตลอดไปนะแต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยสัจธรรมนี้เปิดขึ้นมาแล้วน ะ, นะเพียงแต่ว่าเปิดเผยนี่เท่านั้นนะเราไม่ต้องไป แก้ไขเขาหรอกแค่เราตรงกับความเป็นจริงหรือตรงต่อสัทธรรมเท่านั้นเองนะก็คือเราสามารถยอมรับไหมในความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นยอมรับความไม่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะแค่เรายอมรับเท่านั้นนะเราก็ไม่ทุกข์แล้วนะเพราะงั้นการที่เราตรงต่อสัทธม น, นี้ไม่ใช่หมายความว่าเราไปจัดการเนี่ยเขาแต่เป็นการเทว่าเราตรงกับเขาได้ไหมนะก็คือเรายอมรับเขาได้ไหมนะ เมื่อแค่เรายอมรับนะจิตก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้นะการพ้นจากความทุกข์ก็เกิดจากการที่เราไม่ไปขัดขวางไม่ไปดัดแปลงในสภาวะความจิตเป็นจริงต่างๆแค่เรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจเราในปัจจุบันที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะเราก็ไม่ทุกข์ในตรงนี้แล้วนะมันก็ดับไปนะเมื่อดับไปเรื่อยๆนะมันก็ไม่กลับมาย้อนที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นะเพราะว่าจิตมันเริ่มจะเข้าใจในความเป็นจริงแล้วว่า ต่อเมื่อใดที่เราไม่ยอมรับนั่นแหละก็คือความทุกข์นะเมื่อเราสามารถตรงได้จิตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะถ้าความเปลี่ยนแปลงนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงนิถาวรแล้วนั่นแหละก็คือการบรรลุธรรมนะเพราะการบรรลุธรรมนี้ไม่ต้องเป็นรอบรรลุในชาติไหนนะก็ในชาติปัจจุบันนี้แหละเราสามารถบรรลุได้ทุกคนนะเพราะการบรรลุธรรมหรือพระนิพพานนี้หรือคำว่านิโรดนี้ก็คืออะไร น, ะนิโรกก็แปลว่าดับนะเพราะทุกข์นิโรกก็คือการดับทุกข์ ถ้าเราสามารถดับทุกข์ในทางใจของเราได้แล้วนะเราก็สามารถที่จะถึงนิโรธหรือถึงพันิพาณได้ในชาตินี้นะไม่ต้องไปรอในชาติไหนนะถ้าชาตินี้เลยมีความทุกข์อยู่ชาติหน้าเราก็ต้องมีความทุกข์อีกนะก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดนับครุนชาติไม่ท้วนนะแต่ถ้าเราสามารถดับทุกข์ได้ในชาติปัจจุบันนะชาติหน้ามันก็ไม่มีนะเราสามารถดับทุกข์ได้ไหมนะทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือความทุกข์กายทุกข์ใจนี่แหละ ทุกกายแล้วไม่ไปยุ่งกับเขานัเราดับทุกกายไม่ได้หรอกนะไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวนะอันนั้นไม่เกี่ยวกับเรานะแต่ทุกใจเนี่ยเราสามารถที่จะดับได้ตามความเป็นจริงนะเพาาราะพระรหัสนี้ไม่ได้ไปดับที่ไหนนั่นก็ดับที่ความทุกใจนี่แหละนะเมื่อดับความทุกใจได้ภพชาติให้กหมดไปนะอันนี้ถึงว่าเออความทุกใจนี่เราสามารถดับได้ทุกคนนะโดยการที่เรานะแค่รู้ตามความเป็นจริงนะรู้นะรู้เฉยๆเท่านั้นเองนะ เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเขานะเมื่อเช่นนี้ติตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายได้เองนะอ่านะโดยที่เราไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาเยอะเลยก็คือรู้เฉยๆหรือสักแต่วรู้นี่แหละนะเป็นหนทางที่หย่อกจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะเพราะฉนั้นนะในสุดท้ายนี้ขออารัธนาบารมีคุณนะพระตรัตไทรให้พวกเราทั้งหลายดับทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้ทุกท่านเทิด